สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักจากคราวที่แล้วท่านผู้ฟังคงยังพอจํากันได้นะคะที่อาจารย์ทองคำศรีโยธินท่านได้บอกไว้ว่าแม่เปรียบเหมือนพระสามอย่างคือพระพรหมพระอรหันต์และพระครูคนแรกของลูกที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปคราวที่แล้วคือแม่เปรียบเหมือนพระพรหมของลูก ซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าพรหมวิหารธรรมทั้งสี่อย่างคือเมตตากรุณามุทิต า, า, า, ตาและอุเบกขาเป็นหัวใจของพระพรหมเพราะฉะนั้นหัวใจของแม่ก็ต้องมีสีห้องนี้ด้วยเช่นกันพวกเราก็ได้รู้จักหัวใจทั้งสองห้องของแม่กันไปแล้วนะคะคือเมตตาและการุณาคราวนี้ เรามาติดตามกันต่อมาดูกันสิคะว่าหัวใจอีกสองห้องที่เหลือของแม่นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรนักโทษประหารชีวิตคนหนึ่ง วันประหารชีวิตขอให้มาฟังพระเทศในชีวิตเป็นแต่อันธพาลมหาโจรปล้นข่าเจ้าทรัพย์ยิงตำรวจตายไม่เคยฟังเชศก่อนประหารพระเทศเรื่องกฎแห่งกรรมให้ฟังนั่งฟังน้ำตาไหลสำนึกได้ควักเงินออกมาจากกระเป๋านับได้500บาทติดกันเทศ200บาทเจ้าหน้าที่นำถาดอาหารมาให้ เป็นอาหารที่ดีที่สุดให้กินมื้อสุดท้ายนักโทษกินได้สองถึงสามคำก็วางช้อนกินไม่ลงคอ ม, มันตีบยังมีเวลาเหลือเจ้าหน้าที่เอากระดาษปากกาสองจดหมายมาให้ให้เขียนจดหมายฉบับสุดท้ายถามว่านักโทษประหารคนนี้เขียนจดหมายถึงใครเขียนถึงแม่ไม่ได้เขียนถึงเมียเพราะเมียมีสามีใหม่ไปนานแล้ว แต่แม่ยังเหมือนเดิมเมียหรือคู่ครองเปลี่ยนใจได้แต่แม่ไม่เคยเปลี่ยนกลับเท้าคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงลูกกำลังจะได้รับผลกรรมที่ลูกได้สร้างเอาไว้เองลูกค่าเขาตายและลูกกำลังถูกประหารชีวิตขอให้แม่สอนน้องๆ อ, อย่าให้เอาเยี่ยงอย่างผมเขาเกิดสำนึกขึ้นในนาทีสุดท้ายแล้วจ่าหน้าซองเสร็จ เอาเงินที่เหลือ300บาทและนาฬิกาข้อมือโรเล็กซฝากเจ้าหน้าที่ให้แม่แล้วก็เดินเข้าสู่หลักประหารพอประหารเสร็จก็เอามาใส่ลงรอญาติมารับถ้าไม่มีญาติมารับกรมราชทานเขาก็จัดการเองศพของข้าตรกอันตราหรือมหาโจรส่วนใหญ่คนที่แปลรับศพเป็นใครหรือเป็นคุณแม่ คนอื่นไม่มีใครกล้าไปรับเขารังเกียจกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงกลัวมัวหมองแต่แม่ไม่กลัวแม่ไปรับศพมาทำบุญให้นี่คือหัวใจแม่ความรักที่มีต่อลูกไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม่ตายแทนลูกได้ลูกๆทุกคนลองอ่านข้อความนี้พร้อมๆกันอัญชโนกชนนีเนิรักเจ้า เทียบเทียมเท่าชีวาก็ว่าได้พ่อแม่รักลูกเท่าชีวิตจริงๆมีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจอาจารย์มากที่สุดตอนนั้นอาจารย์เป็นพันตรีเป็นอนุศาสนาจารย์กองทัพกสอนเรื่องศาสนาและศิลธรรมให้ทหารทั่วประเทศเหนือสุดถึงเชียงรายเชียงใหม่ใต้สุดถึงปัตตนี คราวหนึ่งไปสอนที่โคราชค่ายสุรานารีมีทหารมากต้องสอนหลายวันวันนี้พอสอนเสร็จเจ้านายมาบอกว่าผมเตรียมรถจี๊ไปให้อาจารย์คันหนึ่งพร้อมสิบโทคนขับเพื่ออาจารย์จะไปวัดไปคุยกับท่านเจ้าคุณหรือจะไปชมภูมิประเทศรอบเมืองโคราชก็ได้ผมเติมน้ํามันมาให้เต็มถังเรียบร้อยเชิญ อ, อาจารย์ตามอัธยาศัย ก็เลยบอกกับ1ิบโทคนขับว่าบ่ายนี้ออกนอกโคราชไปชมภูมิประเทศกันเขาก็ขับพาไปปักทงชัยไปถึงโน้นสีโมงเย็นมีคนเอาวัวมาเลี้ยงข้างถนนเป็นฝูงๆขับไปได้สักพักมีวัวฝูงหนึ่งกำลังข้ามถนนประมาณ30ตัวเดินเป็นแถวรถก็ไปไม่ได้คนขับรถเขาอยากจะเอาใจอาจารย์ก็ขับรถเข้าไปใกล้ๆ เร่งเครื่องแล้วบีบแรวัวมันกลัวตายมันรีบกระโดดกระโดดวิ่งข้ามไปอย่างรวดเร็ ว, รวแต่มีอยู่ตัวหนึ่งยืนขวางถนนนิ่งไม่กระโดดอาจารย์ก็ก้มลงไปดูทำไมตัวนี้ไม่กระโดดเห็นลูกมันลูกตัวเล็กเเพิ่งคลอดยืนพิงอยู่ที่ขาตอนอยู่ที่คอบลูกยังอยู่ในท้องเพิ่งมาคลอดตอนเดินกินหญ้าอยู่ข้างถนนนี่เอง แม่วัวตัวนี้ก็กลัวตายอยากกระโดดแต่รู้ว่าถ้าตัวเองกระโดดลูกจะไม่กระโดดตามลูกเพิ่งเกิดใหม่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนยังไม่รู้ว่ารถขี่ข้อไหนทับตายทับไม่ตายยืนเซ่อซ่าอยู่อย่างนี้เสร็จแน่หมาตายว่าลกี่ตัวข้างถนนลูกวัวตัวใหญ่กว่าหมานิดเดียวมันจะเหลือหรือแม่วัวยืนขวางอยู่ไม่ยอมกระโดด คนขับรถขับจี้เข้าไปใกล้มันอีกอาจารย์เอามือตบหลังคนขับรถบอกว่าเบรคไม่ต้องเข้าไปใกล้นับถือน้ําใจมันแม่ ว, วัวมันรักลูกยอมตายแทนลูกยืนขวางรถยอมให้รถชนพอรถอาจารย์จอดแม่วัวมันหันมาค้อนทตาตาโตๆเหมือนกับบอกว่าถ้าใจดำอำมหิตนะักก็เชิญเลยสิ แม่ตัวนี้จะยอมตายแทนลูกทับแม่ตัวนี้ให้ตายก่อนจึงค่อยเอาชีวิตลูกดูน้ำใจแม่ในนาทีนั้นมันชัดเจนอัญชโนกชนณนีเนี้รักเจ้าเทียมเท่าชีวาก็ว่าได้อ๋อแม่นี่รักลูกเท่าชีวิตจริงจนะนี่ขนาดสเตเลฉานแม่วัวมันยังรักลูกเท่าชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิต แล้วแม่อาจารย์เป็นคนจะรักอาจารย์มากมายขนาดไหนภาพของแม่ลอยมาให้เห็นเต็มตาสะเทือนใจน้ำตาไหลเห็นหรื อ, อยังความรักของแม่รักลูกยิ่งชีวิตไม่เห็นตัวอย่างไม่สะเทือนใจหัวใจห้องที่สามมุทิตาชื่นชมยินดีเมื่อลูกได้ดี พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกได้ดีมีอนาคตยอมอาบเหงื่อต่างน้ำหาเงินมาส่งลูกเรียนหวังว่าโตขึ้นลูกจะเป็นเจ้าคนนายคนค่ารถค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าค่าอาหารค่าขนมค่าทัศนศึกษาทุกอย่างเป็นภาระของพ่อแม่ทั้งนั้นถึงเวลาเปิดเทอมลูกสาวมาบอกว่าครูเผาทวงค่าเทอมแล้วแม่ต้องเอาค่าเทอมไปชาระ แม่ไม่มีเงินถอดส่ซสร้อยออกจากคอให้ลูกไปจำนำไปขายเอาเงินมาจ่าค่าเทอมเพื่ออนาโคตของลูกแม่ไม่เคยเสียดายมีหมอนวดคนหนึ่งอายุ60ปีตระเวนนวดตามบ้านชั่วโมงละ60บาทอาจารย์เจอเข้าก็สงสารบอกว่าเลิกนวดได้แล้วป้าแก่แล้วป้าบอกว่าฉันเลิกไม่ได้หรอกจ้ะตอนนี้ลูกสาวเรียนอยู่ปวช ถ้าเลิกลูกก็ไม่ได้เรียนดูหัวใจของแม่สิเป็นหมอนวดส่งลูกเรียนพ่อแม่ทุกคนไม่เคยนึกถึงความเด็ดเหนื่อยและยากลำบากของตัวเองหรอกขอเพียงให้ลูกมีการศึกษามีวิชาติดตัวก็พอแล้วขอเพียงให้ลูกได้เทียมหน้าเทียมตาเพื่อนๆแม่ก็พอใจวันไหนที่แม่เอิบอิ่มเบิกบานและมีความสุขที่สุด วันที่ลูกสำเร็จการศึกษาวันที่ลูกรับปริญญาความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากพลันหายเป็นปลิดทิ้งถ่ายรูปคู่กันที่พระบรมรูปทรงม้าลูกใส่ชุดครุยปริญญาแม่กับลูกก็ยิ้มหน้าบานกันทั้งคู่แต่พอสังเกตดูดีๆแม่ยิ้มหน้าบานมากกว่าลูกเสียอีกหน้าบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้าเพราะได้รูปดี คนที่มาแสดงความยินดีทั้งงานยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของหัวใจแม่ลูกบางคนวันรับปริญญาบอกว่าแม่ไม่ต้องมาหรอกอายเพื่อนอายแฟนเพราะแม่เป็นชาวนาบ้านนอกกลัวเพื่อนดูถูกกลัวแฟนดูถูกไม่ยอมให้แม่ไปชื่นใจในวันสำคัญที่สุดของลูกหัวใจห้องที่สอุปเบกขา ทำตัวเป็นกลางวางเฉยเมื่อไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้เมื่อลูกโตพอจะพึ่งตัวเองได้พ่อแม่ก็จะคุยกับเพื่อนๆว่าเออตอนนี้เขาเรียนสำเร็จแล้วนะได้ปริญญาแล้วเขาได้เงินเดือนเป็นหมื่นสบายแล้วแต่งงานแยกครอบครัวไปแล้วเรื่องงานและเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวของลูก พ่อแม่เข้าไปยุ่งไม่ได้จิตต้องวางเฉยไม่แสดงตัวเป็นเจ้าของชีวิตไม่แสดงความเสียใจเมื่อลูกแยกตัวไปอยู่กับคนที่ลูกรักพ่อแม่วางใจแต่ไม่เคยทอดทิ้งคอยฟังข่าวลูกอยู่ตลอดทันทีที่ได้ข่าวว่าลูกติดหวังชอกช้ำเจ็บปวดพ่อแม่ยิ่งเจ็บปวดกว่าลูกหลายร้อยเท่าขณะลูกได้เงินเดือนเป็นหมื่นๆ น, นี่แหละ ขนาดบอกว่าสบายแล้วนี่แหละพอได้รับโทรศัพท์จากลูกบอกว่ากําลังจะคลอดลูกคนแรกรุงขึ้นแม่บึ่อจากโน่นเชียงรายมาหาลูกแม่รู้ว่าการคลอดลูกเนี่ยเสี่ยงต่อความตายแม่จึงรีบมาเจ็บไม้มปวดไหมลําบากไหมหลานเป็นยังไงห่วงไปหมดทุกเรื่องคนอื่นมาเยี่ยมเดี๋ยวเดียวก็กลับแต่แม่มานอนเฝ้าลูก ทั้งที่เขามีพยาบาลเฝ้าอยู่แล้วดูความรักของแม่แม่คือพระอรหันต์ของลูกเป็นพระอรหันต์ยังไงพระอรหันต์คือผู้มีจิตใจอ่อนโยนมุ่งแต่จะอนุเคราะห์ชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์ความลําบากพ้นหุบเหวแห่งความหายนะพ้นจากความเป็นทาตของกิเลสปัญหาน้ําใจของพระอรหันต์ที่มีต่อปุ่มชน บริสุทธิ์หมดจดฉันใดน้ำใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็บริสุทธิ์หมดจดฉันนั้นพ่อแม่ให้กําเนิดและอุปการะเลี้ยงดูเรามาเป็น10ปีตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจนโตป่านนี้อาหารเสื้อผ้าเงินทองแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทให้เรานั้นลองประเมินออกมาเป็นตัวเลขซิกว่ามันเป็นเท่าไรประมาณได้ไหมประมาณไม่ได้ เพราะมันมากมายเกินกว่าจะประมาณจะตีค่าเป็นเงินเป็นทองตีให้สูงเท่าไรก็ไม่อาจทัดเทียมสมน้ำสมเนื้อกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ได้น้ำใจของแม่ที่มีต่อลูกห่วงใยอยากให้ลูกประสบความสำเร็จแต่ดดได้ดีมีหน้ามีตาทัดเทียมคนอื่นพ่อแม่ทนทุกข์เพื่อให้ลูกเป็นสุขพ่อแม่ทนร้อนเพื่อให้ลูกเย็น พ่อแม่ทนหิวเพื่อให้ลูกอิ่มยอมเสียน้ำตาเพื่อรอยยิ้มของเรานี่แหละน้ำใจของพระอาหารหันต์ที่มีต่อลูกแม่คือครูคนแรกของลูกเราอยู่ใกล้แม่อยู่ในอ้อมกอดของแม่มากกว่าพ่อแม่สอนเราตั้งแต่แรกเกิดตอนเราเกิดแม่สอนอะไรสอนให้เราดูดนมเอานมใส่ปากแล้วเอานิ้วค่อยๆเขี่ยที่ริมฝีปาก ดูดสิลูกดูดเราถึงรอดตายเราดูดนมเป็นนั่งนอนยืนเดินพูดแม่คือผู้สอนให้เราทั้งนั้นดีไม่ดีถูกไม่ถูกควรทำไม่ควรทำกิริยามารยาทความคิดความอ่านแม่เป็นคนสอนทั้งนั้นสอนอาชีพสอนให้เราช่วยเหลือตัวเราเองได้เอาตัวรอดจากภัยอันตรายสอนให้รักษาชีวิต ครูธรรมดาเขาสอนเฉพาะในหลักสูตรแต่พ่อแม่ในหลักสูตรนอกหลักสูตรสอนให้หมดสอนทุกเรื่องสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไม่มีตารางสอนเจอเรื่องอะไรตรงหน้าก็หยิบ ม, มาสอนไม่จํากัดเวลาสอนก่อนนอนก็ยังอบรมเราอีกครูอาจารย์ทั่วไปเขาสอนเราเขายังมีเงินเดือนแต่พ่อแม่ไม่มีเงินเดือนนอกจากไม่ได้รับเงินเดือนตอบแทนแล้ว ยังต้องเสียเงินให้ลูกศิษย์อีกด้วยจะหาดูอาจารย์ที่ไหนยิ่งใหญ่เท่าพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ไม่ได้ผูกขาดความเป็นครูต่อลูกไวเพียงผู้เดียวยังใจกว้างส่งลูกไปศึกษาหาความรู้จากครูคนอื่นด้วยจบหลักสูตรในเมืองไทยและยังส่งไปเรียนต่อเมืองนอกจนจบปริญญาโทรปริญญาเอกนี่เห็นหรือยังพระคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธา พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เท่าแผ่นดินยิ่งใหญ่จริงๆ